ปัญญาสติกับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุข้าพระองค์กราบทูลถามแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมนั้นคือปัญญาและสติกับนามรูปแก่ข้าพระองค์เถิดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นจะดับไปที่ไหนอชิตะท่านถามปัญหานั้นข้อใดเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่าน นามและรูปย่อมดับไม่เหลือในที่ใดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นก็ย่อมดับไปในที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณแล